โยมาจากที่ไหนกันนะนางแสงเน่ยมาคนเดียวเลยมาคนเดียวรู้จักที่นี่ได้ยังไก็ปกติก็ทำบุญอยู่ที่วัดยาแล้วก็แล้วก็ดูทางไปทุกไม่มีเทอได้แล้วเออมาตามาม ที่วางแสงอ่ะทำคอนโดคอนโดนะครับมีนั่งขายมีเช่าครับอยู่อ่ใกล้ๆชายทะเลอยู่ใกล้ๆบอลกมอาเป็นเกิชชันะคอนโดอะไรนะเกิชชั้นแปดชั้นแปดชั้นมีทั้งหมดกี่ยูต้ายูตครับขายด้วยเช่าด้วย ขายหมดไปยังอ๋อยังเหลือประมาณสิบกว่าหนึ่งเส็นเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ที่ให้เช่าเช่าเป็นเดือนเท่าไหร่เดือนหนึ่งอออหกพันห้า 6, ถึงเก้าพันเป็นสองห้องนอนนะหรือว่าห้องนอนเดียวเป็นห้องนอนเดียวแต่ห้องใหญ่ป่ะหกพันห้าก็ 6, ถูกนะแล้วถนะ้าเกินนี่มันเกือบเมย ก็อยู่ที่ทำเลนะครับผ ม, มแล้วที่ขายที่ขายกี่ล้านนะก็ล้านล้านหนึ่งร้านสองอะไางนี้ครับถ้านนั่นเองอะครับถ้าถ้าห้องใหญ่ก็ประมาณล้านเจ็ดร้านแปดก็ถูกกับแถวที่พัทยานี่นะถูวกว่าแล้ ว, ลวน่าเกินพัทยานี่สองสามล้านขึ้นไปนะครับก็อยู่ที่ ท, ทำเล แล้วคิดจะทำเพิ่มอีกหรือเปล่าก็ตอนนี้ยังนะยังะครับช่วงนี้งานขายไม่ค่อยดีเป็นที่ของเราเองหรือว่าก็ซื้อมาตอนปีห้าหนึ่งครับอ๋อพอจะได้กำไรบ้างแล้วนะพอพอมีนิดหน่อยไม่มากเท่าไหร่พอกินพอใช้ก็ถือโอกาสมากรับอาดาอื์เพราะว่าดูผ่านตทรศัพท์ มาช่วงงว่างลมาซึมากลับจากอันนี้คนมาที่นี่น้อยกว่าคนที่ดูติดตามอันนี้ติดตามเท่าไหร่แล้วตอ น, <ด>นี้ยูทูบสิบคนสิบคนตอนนี้สองร้อยสิบสี่ครับเป็นลูกสองร้อยกว่าแล้วถึงเวลาเขาก็รู้แล้วเมื่อคยนอาตอมาก็ไปอินเดียมาไปมุมไบ มียาติโยมทางนั้นเขาสกา e มาในนี้ติดต่อกันได้โดยไม่ต้องเดินทางไปเองเขาอยากจะสนทนาธรรมก็เลยใช้สกา e ติดต่อกันดีสะดวกดีไม่ต้องเดินทางสามารถที่เผยแผ่ธรรมะไปได้ทั่วโลกบางทีก็ไปแคนาดา อังทีก็ไปสิงคโปร์เขาไปคงได้ไปอีกหลายประเทศเนี่ยยุคนี้รวดเร็วสะดวกอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่ต้องไปไปทางไปทางกูเกิลนี้ก็ได้มาไปในแผนที่แล้วก็เขาก็จะมีถ่ายรูปนางทางปัดยามบ้านช่องเดู เราไม่ต้องไปเองแม้แต่วัดยาเ น, นี่ยังมีเลยเข้าไปแผนที่ในวัดยาแล้วเปิดดูภาพถนนเลยมันก็จะเห็น่ามันจะถ่ายตัวโครงอาคารอะไรต่างๆงั้นกับเราไปจริงเนี่ยมาถึงตรงบากทางเข้าเาที่นี่ก็เขาก็ถ่ายเสบายเลไม่ต้องไปไหย มีบ้านมีอะไรจะถามไห ม, มไม่มีนะเราเดมาจากที่ไหน ม, มาจากบอร์ินครับบอกเดินนะมากันสามคนหรือสองคนผมมาจากภรรยาสองคนครับถ้าเั้นมาจากที่ไหน ในพัทยาแล้วก็ถึงอยู่โคราชอยู่โคราชมาทําะไรที่พัทยามาดูลูกลูกครับอ่กอยู่กับภรรยาคช่แไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันอยังเคยมาปะผมเคยมาครั้งหนึ่ครับเอเคยมากับเพื่อนออ สักเดือนนึงได้แล้วมั้งครับแต่มาวันหยุดคนเยอะมากใช่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์จะมีคนมากแบบทันนี้มาวันธรรมดาก็เขึ้นมาข้างบนครั้ที่แล้วผมต้องอยู่ว่างใกล้ไม่เห็นอถ้าเสาร์อาทิตย์นี้คนจะเต็มเต็มลานเต็มนะครับเพราะเป็นวันหยุดทางาน คนก็จะมีเวลาแต่ต่อไปนี้อาจจะมาไม่มากก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มีถ่ายทอดสดก็เหมือนกับมาเลยก็ดีก็ต่างคนก็ต่างอยู่กันมีอะไรจะถามหรือเปล่าอันนี้ไม่มีครับแค่อยากจะมากราบอาจารย์ก็ ไม่มีอะไรจะถามแต่อยากจะฟังัมเตี้ยํำสอนนะครับถ้าปกติถ้าไม่มีถ่ายทอดนี่เราก็บอกว่าต้องกลับมาวันเสาร์อาทิตย์นะถ้ามีถ่ายทอดก็ ย, ยังพูดยังมีกำลังใจที่จะพูดเพราะมีคนฟังที่อยู่ที่บ้านถ้ามากันแค่สีห้าคนนี่เราก็บอกว่าไว้มาวันเสาร์อาทิตย์ก็แล้วกัน ก็ถ้าเป็นเหมือนโรงหนังถ้าใช้หนังคนมาดูแค่สีนน่ห้าคนก็ไม่คุ้มค่าน้ำค่าไฟคุณ <c oughs> มีอะไรจะถามหรือเปล่า<ม>ไม่มีเลอยู่ที่โคราชใครติดตามทางเฟซบุ๊กหรือเปล่าโคราชไม่เคยติดตามนะผมเคยหลังจากที่องหลวงตาท่านติ้งผมก็พยายาม ติกามดูว่าใครที่เคยเป็นสิทธิของทางหลวงตามผมก็เคยดูในเว็บพระพระปาบัดคอมนี่ครับก็จะมีที่เคยถ่ายทางกุฏิของพระอาจารย์นะผมก็คิดอะไรสบายก็จะมาหรือว่ามีโากาสมาที่นี่ก็ก็ามาที่ไปบ่อยอันนี้มาครัง้งแรกเหรอผมมาหลายๆายครั้งแล้วครั บ, ลรบแล้วลูกศิษย์ของหลวงตาลูกอนเคยไปไ่ม ไปไปพอมบ้างือมาไม่เคยครับผมที่เคยก็มีตอนเรียนที่ขอนแก่นก็เคยไปกราบองหลวงตามหาบัวแล้วก็หลวงปู่ล่าสีมาปะโตอชอบประดิษฐ์ธรรนี้ก็เลยตามพระที่พอจะเทสิสังอาาสอนอะไรเลยจะตามาาตอนนี้ท่านกาลาสังขารอยูงแต่ลนะ ลูกบาจารย์ทั้งหลายลุ่นลูกของหลวงปู่มัน่นบอกเราเนี่ยก็เป็นรุ่นหล้านหลวงปู่มั่นเนี่เหมือนเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ล่าหลวงตามาบนี่ก็เป็นเหมือนกับลูกของหลวงปู่มัน่นเราก็เป็นเหมือนล้านของหลวงปู่มั่นเนี่ สืบทอดกันไปศาสนาของเราก็ที่มีการสืบทอดมาได้ก็เพราะว่ามีการศึกษามีการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์สู่ลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ก็นำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติจนบรรลุธรรมก็สามารถที่จะถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้ต่ออย่างถูกต้อง ถ้าไม่ปฏิบัติไม่บรรลุ ธ, ธรรมนี้จะไม่สามารถที่จะถ่ายทอดทำทำแท้ได้พูดอย่างไรถ้าถ้าไม่ได้ปฏิบัติเพียงแต่เรียนอย่างเดียวทำที่เรียนนี่หลวงปู่ม่นบอกยังเป็นทำปลอมอยู่เพราะว่ามันยังไม่ได้เข้าไปในใจยังไม่ได้เข้าไปชําระกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจ เห็นเวลาผู้ที่แสดงธรรมที่ได้จากการเรียนการศึกษานี้มันจะแสดงด้วยใจที่ยังมีกิเลสเดียมีความโลภความโกรธความหลงอยู่มันจะไม่เป็นธรรมแท้จะเป็นธรรมที่คิดปรุงแต่เป็นจินตนาการธรรมอย่างญาตโยมเนี่ยธรรมต่างที่ญาติโยมได้ยินนี้ยญาตโยมยังไม่ได้สัมผัส ยาโยงก็ได้แต่จินตนาการว่าสติเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงจิตสงบเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงเห็นใจรักแล้วเป็นยังไงแต่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแบบนี้มาสองสอนเพื่อนันก็จะไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาก่อนมาหลัง ก็จะสับสนอย่างสมัยนี้ก็มากจะพูดว่าเอาปัญญาก่อนทำไมนี้เป็นยุคปัญญาชนเมื่อก่อนเรียนจบปริญญาตรีโทเอกกันมีปัญญาสามารถอ่านศึกษาพระไตรปิฎกได้เข้าถึงแก่นของศาสนาได้เข้าถึงอริยสัจสี่เข้าถึงพระอภิธรรมธรรมชั้นสูงได้ การทำเหล่านี้ที่ได้จากการอ่านการศึกษานี้ไม่สามารถนําไปชําระกิเลสตัณหาที่ไม่อยู่อนใจได้กิเลสไม่กลัวทําแบบนี้ตัณหาไม่กลัวมันชอบมันก็เอาทําแบบนี้มาเป็นเป็นลูกน้องเสียด้วยซ้ำไปมาหลอกคนที่มีความรู้จากการเรียนรู้นี่ว่าเป็นผู้ฉลาด เป็นผู้ที่มีปัญญาแหลมคม <c oughs> แต่ถูกกิเลสมันคอยสั่งคอยสอนอยู่ตลอดเวลาส <c oughs> อนให้โลภสอนให้อยากได้ลาบยศสรรเสริญโดยไม่รู้สึกตัวเห็นไหมบรรดาพระที่เรียน <c oughs> จอบประเรียนก้งประเรียนก้ากันนั่นก็ไป ไปทางสำมมนักศักนะ์ัไปเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณไปเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะอะไรต่างๆเราก็ไปรับลาบส ก, การะมีรถกองรถเก๋งมาใช้กุฏิที่อยู่่า้าัยนี่ รู้หลายยิ่งกว่าบ้านญาติโยมที่สายบาตได้ทำไปดีไม่ดีบินทบาทก็บินทบาทไม่เป็นพระที่มีสัมมณสูตนี่ท่านรู้สึกว่าการบินทบาทนี้มันเป็นเรื่องของขอทานไม่ใช่เรื่องของผู้มีวุฒิปริญญาอังเกดู ที่เป็นเจ้าฟ้าเจ้าอะไรนี่ไม่ค่อยบินนบาา <c oughs> เราสังเกตดูลวงปู่มั่นท่านบินนาบ่าจนกระทัง่งวาระสุดท้ายของชีวิตพ <c oughs> อ, อกแก่แล้วบินนบาตเดินไปถึงหมู่บ้านไม่ไหวก็เดินไปแค่ครึ่งทางชาวบ้านก็ออกมาครึ่งทางมาใส่บาย พอเดินไปถึงครึ่งทางไม่ไหวก็เอาแค่หน้าประตูวัดพอหน้าประตูวัดไม่ไหวก็เอาบุญสาลาบินตบาดจะไม่มีเลี้ยวมีแรงที่จะบินได้ท่านถึงจะเลิกบินตาบาดเพราะการบินตบาดนี้พระที่บวชใหม่นี้ถูกสั่งสอนตั้งแต่วันแรกแล้วว่าให้บินตบาดเร่งชีพนี่คือหน้าที่ นี่คือนิสัยของพระต้องบินดาดเลี้ยงชีพต้องพึ่งตนเองแต่พอพอได้เรียนรู้ได้ราบสักการะก็เลยไม่ต้องเรียนไม่ต้องบินดาทมีคนเอาอาหารมาส่งให้ถึงวัดหรือถ้าไม่มีวันไหนก็สั่งให้ลูกศิษย์ไป ซื้อมาได้ก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบินรบาตแต่ก็ต้องเพิ่งราบสั ก, กาะละก็ต้องคอยหาราบสั ก, กาละมาแทนที่จะบินรบายฮะไม่ถ้าบินรบาตก็ไม่ต้องมาเพิ่งราบสั ก, กาละ่าติอยมไม่ถวายเงินไม่เอาอาหารมาถวายที่วัดก็ไม่เดือดร้อน บินบายทุงวันมีกินสบายกว่าทาให้บินสบายก็ต้องสั่งเข้ามาซื้อเข้ามาวันไหนไม่มีคนมาิม่มนไปฉันก็ต้องให้ลูกเสร็จไปซื้อกับข้าวกับปลามากิน <Yeah. S 1> ก็ชอบแบบนั้นเพราะใช้เลือกได้น้อ <Yeah. S 1> อยากจะกินอะไรก็สั่งได้ <Yeah. S 1> อยากจะกินหูปาลาฉลามก็สั่งมาได้ กินไก่ทอดเนื้อทอดเนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่พระเจ้าสอนให้บินตบาทให้บินทบาทยังชีพให้ยินดีตามมีตามเกิดเพราะการบินทบาทนี้เลือกอาหารไม่ได้ต้อใส่บาตรอะไรมาแล้วก็กินไปตามมีตามเกิด กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินถ้าอยู่เพื่อกินก็อยู่เพื่อกิเลสการมาบวชนี่มาบวชเพื่อกําจัดกิเลสไม่ใช่มาส่ ง, สงเสริมกิเลสพระพุทธเจ้าส่งสอนกิจวัตรที่พระพึงกระทําอยู่4ข้อพอบวชเสร็จนี้อุปชาต้องสั่งสอนกิจวัตร สี่ข้อนี้ทันทีว่ากิจทีพ่พระภิกษุพึงกระทําตลอดชีวิตคือ 1. บินตบาทเลี้ยงชีพ 2. อ, อยู่ตามคนไม้ไม่ต้องอยู่กุฏิเรือาที่อยู่ตามคนไม้อยู่ในป่าแต่ถ้ามีคนเข้าถวายกุฏิให้อยู่ก็อยู่ได้ถ้าไม่มีใครถวายไม่มีกุฏิก็อยู่ ไปอยู่ตามโคนไม้กันนุกขมูลละเซนาสนังอที่สามให้ใช้ผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลก็คือผ้าที่เขาทิ้งเช่นผ้าหอ่อศพผ้าในป่าชา้าไปเก็บผ้าเหล่านี้มาซักย้อมมาตัดมายเย็บเป็นจีวรคือเป็นผ้าขี้ริ้วพูดอง่ายๆไม่ให้ใช้ผ้าดีๆ <c oughs> เรายารักษาโรค ก, ก็ให้ใช้ยาดองน้ำมูดยาดองน้ำปัสสาวะทำไมก่อนเวลาเขาไม่สบายกันเขากินยาดองน้ำปัสสาวะแต่ในสมัยนี้คนบางคนก็ยังดื่มน้ำปัสสาวะกันอยู่เป็นยารักษาโรคมีคือปัจจัยสี่ของ นักบวชของพาพภิกษุในพระพุทธศาสนาสมัยนี้เราก็ไม่ได้ปฏิบัตอิอย่างนั้นเราก็ปฏิบัติพอตามประเพณีตามมีตามเกิดคือจีวรก็มีใครถวายผ้ามาก็เอามาตัดเย็บไปไมีใครถวายจีวรสำเร็จรูป ก, ก็เอามาใส่ไปแต่ไม่ต้องไป สั่งว่าจะต้องเอาผ้าชนิดนั้นผ้าไหมผ้ามาจากเมืองนอกเมืองนานหรืออะไรให้ยินดีตามมีตามเกิดแล้วก็มีกิจอีก4ข้อที่ห้ามไม่ให้ทำกิดที่ห้ามไม่ให้ทำหนึ่งห้ามเสพเม่ถลนคือห้ามร่วมหลับนอนกับสีกา สองห้ามลักทรัพย์สามห้ามฆ่ามนุษย์สี่ห้ามอดอดุตริคุณนั้นคุณค ณ, ณธรรมวิเศษที่ไม่มีในตนถ้าทำสี่ข้อนี้ข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าขาดจากการเป็นพระทันทีไม่ต้องมีใครมาจับเสกตัวเองควรจะเสกตัวเอง ก็ถือว่าไม่ได้เป็นพระในพระพุทธศาสนาแนละ้วไม่มีทางที่จะไปถึงพระนิพพานได้แนละ้วเพราะถ้ามาบวชแล้วมาทําการกระทำสี่ข้อนี้ก็ถือว่าไปคนละทิศทางนะจะไม่มีวันที่จะเดินทางไปถึงพระนิพพานได้นี่คือ เรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้กับผู้ที่มาบวชเรียกว่าบุพภกิจในเบื้องต้นของผู้ที่มามาบวช ท, ที่ควรจะรู้เขาเรียกว่าอนุศาสต์อนุศาสต์มีเกศสี่ข้อทนกระทงและ กิจที่ไม่พึงกระทำสี่ข้อรวมเป็น8ข้อด้ยกันถ้าใครปฏิบัติตามคำสอนอได้ <c oughs> ก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนากุูบาอาจารย์ท่านถึงมกักจะปฏิบัติแบบนี้กันท่านสายวัดป่านี้ท่านจะถือเรื่องการบิณฑบาตเป็นภารกิจสำคัญท่านจะอยู่ตามป่า ตามเขากันเพราะเป็นที่เหมาะสมต่อการเจริญทำต่างๆการใช้ผ้าบางสกุลก็จะทำให้ไม่ไม่โลภไม่ไม่หลงกับผ้าสวยๆงามๆไม่ใช้ผ้าขี้ริ้วไปไปเก็บเศษผ้าที่เขาทิ้งไว้มา สะสมพอได้ปริมาณที่มาปะมาเย็บมาต่อให้เป็นผ้าจีวรได้แล้วก็ย้อมด้วยน้ำน้ำที่สกัดมาจากแก่นไม้เอาแก่นขนุนนี้มาต้มแล้วมันจะออกสีเหลืองๆก็จะเป็นผ้ากาสาวะคัต ยารักษาโลกก็ยักรักษาไปตามมีตามเกิดนี่คือปัจจัยสี่ของนักบุญถ้าอยู่ถ้าอยู่อย่างนี้ได้ก็ไม่ต้องไปรบกวนืคนพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้พระไปขอสิ่งของต่างๆจากผู้ที่ไม่ใช่เป็นญาติ หรือผู้ที่ไม่ได้เสนอตัวปะวารนาตัวอย่างเนี้อย่างโยมนี่เราไม่รู้จักเนีย่ยอยู่ดีๆจะบอกว่าอยากจะได้จีวรทักผืนนี้บอกไม่ได้อยากจะได้ยา่บอกไม่ได้จะบอกได้ก็ต่อเมื่อโยมพูดไว้ลน่งหน้าก่อนว่าถ้าท่านต้องการอะไรในสิ่งที่สมควรต่อการบริโภุล ข, ของพระภิกษุกต ให้บอกข้าพเจ้าได้ถ้าบอกลงหน้านี้ก็เวลาขาดแกนอะไรเวลาจีวรขาดนขาดนี้ก็บอกได้อต่ถ้าไม่ได้เป็นญาติหรือไม่ได้บอกกัลงหน้าไมื่อก่อนนี้ไปไปบอกไปขอไม่ได้เช่นพระสมัยนี้ชอบไปขอเงินค่ารถกันเจ้าไทยก็ชอบขอเงินค่ารถ ไม่รู้จะเดินทางไปไหนหรือเปล่าญาตโยงก็เกรงใจเมื่อพระขอแล้วท่านไม่ให้ก็รู้สึกว่าใจจืดใจดำหรือเปล่าเป็นบาปเป็นกรรมหรือเปล่าถ้าได้ศึกษาพระวินัยแล้วก็จะรู้ว่าไม่กวันให้เพราะมันเป็นการส่งเสริมกิเลสตัณหาของพระ ญาตโยมไม่รู้หรอกว่าการมาบวชนี้มาบวชเพื่อมากำจัด ก, กิเลสตัณหาไม่ให้โลภมากไม่ให้อยากได้นั่นอยากได้นี่ให้มาอยู่แบบคนยากจนให้อยู่แบบยินดีตามมีตามเกิดไม่ควรขออะไร แม้แต่ขอกุติขอโบสถ์ขอเจอดีย์ก็ไม่ควรขอควจริหน้าที่ของพระไม่ได้มีมาหน้าที่มาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์หน้าที่ของพระมีหน้าที่มาสร้างคุณธรรมมาสร้างมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างวัดแม้แต่วัดเดียวพระพุทธเจ้าสร้างแต่พระ อ, อริยเจ้าสร้างพระโสดาบัน สร้างพระสกีดาคามีสร้างพระอน า, าคามีสร้างพระอาหารหันต์ท่าไม่เคยสร้างวัดเลยมีแต่ศรัทธาญาติโยมที่มีกำลังเราอยากจะสร้างถวายให้พระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ก็สร้างคนหนึ่งเป็นมหนาเศรษฐี mm hmm. คนหนึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็สร้างถวาย mm hmm. เรื่องการสร้างวัดสร้างถาวรวัตถุนี้เป็นหน้าที่ ของศรัทธาญาติโยมเป็นเรื่องของศรัทธาเช่นญาติโยมบางคนหลังจากได้พบได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดความประทับใจเห็นคุณค่าของพระธรรมเห็นคุณค่าของวัดวาอารามก็อยากจะสร้างอันนี้ก็สร้างกันได้ญาติโยมไปสร้างกันเองญาติโยมไปเรียลลัยกันเองเพียงแต่ว่าบา บอกให้พระทราบก่อนว่าจะสร้างพระจะอนุญาตไหมถ้านุญาตก็สร้างได้ถ้าไม่อนุญาตก็สร้างไม่ได้อย่างว่าหลงตาเนี่ยมีคนไปขอสร้างเยอะแยะ้งหมดแต่ท่านไม่ให้สร้างเพราะท่านว่ามันไม่มีความจำเป็นสำหรับวัดปฏิบัติที่จะต้องมีโบสถ์มีเจดีย์สิ่งที่จำเป็นจะต้องมีก็มีแล้วเช่นศาลา กุติก็พอแล้วก็เลยไม่ให้สร้างเพราะการก่อสร้างแบบไม่มีขอบไม่เขตมันก็มารบกวนการปฏิบัติธรรมของพระเองเมื่อมีการก่อสร้างมันก็จะมีคนพุกพล่านมันก็จะมีเสียงอึกทึกคึกโครงวันที่ปฏิบัติธรรมนี้เขาต้องการความสงบดั้นก็น ขอตาเนี่คอยควบคุมเรื่องการก่อสร้างในวัดอย่างมากในเวลาท่านจะเยียบลูกศิล์ลูกหาท่านก็จะสังเกตดูว่ามีการก่อสร้างทางศัก์แล้วท่านก็จะคอยตัดคอยเตือนไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่ใช่หน้าที่ของพระที่จะมาก่อมาสร้างถ้ายกเว้นมันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่มันขาดแคลนแี่ไม่มีกุติอยู่ เนติ้งเก่ามาตทางแล้วต้องซ่อมใหม่เรื้อสร้างใหม่อันนี้ก็มีเหตุมีผลแต่มันต้องมีขอบมีเขตไม่ใช่สร้างกันไปแบบใครอยากจะถวายก็สร้างใครอยากจะถวายก็สร้างโดยที่บางทีสร้างแล้วก็ไม่มีพระเมนมาอยู่เรื่องมาอยู่ก็มากเกินไปปฏิบัตินี้เขาจะต้องมีปริมาณที่เหมาะสม ถ้ามากเกินไปความสงบสงัดวิเวกมันก็จะหายไปถึงต้องพวบคุณปริมาณของพระนิ่งสมัยที่เราไปอยู่ท่นลงตาท่านคุมมาแค่ส8บปสบรูปรับพระนิ่งสิบรูป ต, ต่อมาก็มีความจำเป็นเพราะครูบาอาจารย์ที่อาวุโสกว่าท่านก็ล่วงโรยไป พระเนรก็ไม่มีที่พึ่งพาสายก็ต้องมาพึ่งหลวงตาตั้งกันเลยเมตตารับเพิ่มแต่ก็ไม่สร้างกุฏิเพิ่มกลับไปสร้างแแคในไว้ในป่าแแ่ก็คือเนี่ยที่ประมาณช่องที่เราหน้าอย่างนี้ที่เราเนีมีสัตว์ไม่มีฟาไม่มีหน้าต่างไม่มีประตูใช้ผ้า ที่วันเป็นเป็นฝาในป่าพอลมดานลบถึงได้อยู่กันแบบนี้อยู่แบบผ้าทวดดงเวลาผ้าทวดงไปทวดดงในป่าท่านก็ไม่ได้เอากุฏิไปด้วยในชะ่ไหมไปอยู่ที่ไหนก็ญาติโยมก็ทําแค่เล็กๆให้นั่งให้นอนหลังคาก็ไม่มีซะท่านใช้กดเป็นหลังคาใช้มุ้งกดเป็นหลังคา กางกดท่านจัดทุดงมักจะทุดงในช่วงฤดูแรงถ้าฤดูฝนนี้ต้องอยู่ที่ไหนที่หนึ่งที่มันไม่ชิดเหมือนเช่นอยู่ในถ้าอะไรอย่างนี้ที่มันหลบล บ, ลบฝนได้ถ้าไปทุดงหน้าฝนเราไปกลางกดกดก็เปียกเหมนะือน มีการเล่าเรื่องชีวิตของพระปฏิบัติให้ฟังบ้างจะได้เห็นภาพว่าสมัยพระุทธเจ้ากับสมัยนี้อยู่กันยังไงสมัยนี้กุฏิยังกระวังเลยก็ยังกันลาชวังมีพร้อมมีมฟอนิจ้องฟอนิเจ อ, อ้ามีเคยเห็นไหมเคยเห็นมาข้างไนก็ได้เนี่ยที่ว่างว่าง เมืเช้าตามสบายอยากจะนั่งตรงไหนก็ได้ตามแล้วไม่เป็นไรไปใครมาก็มาใครไปก็ไปที่นี่ไม่มีไม่มีเวลามเวลาสมัยก่อนจึงมีคนบนรรลุธรรมมากถ้าภิกษุบรรลุธรรกันมากเท่าน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติต่อการบรรลนะุแต่สมัยนี้มันมีแต่บรรยากาศที่ต้านการบรรลุความสุขต่างๆทางร่างกายนี้มันเป็นตัวที่จะทำให้บรรลุยากทางสุขทางตาหูจหมกูกทิ้กายอยู่ดีกินดีอิ่มมีพีมั น, นกินแล้วก็นอน ร่างกายแต่จิตใจร้อนเป็นฟืนเป็นไฟด้วยความโลภความโกรธความหลงยายโญก็อยากให้พระสุขสบายอาหารก็ถวายเยอะแยะกุตกุติก็สร้างให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายแต่ไม่รู้หรอกว่ามันไม่ได้เป็นการเอื้อต่อการมนุษธรรมแต่เป็นการสร้างอุปสร ทัวัวทำให้ไม่สามารถทำใจให้สงบได้ทำให้ไม่สามารถเจริญปัญญาได้ทำไมพุทธกาลไม่พาท่านอยู่กันตามป่าตามเขาไม่ค่อยอยู่ในวัดกันไม่ค่อยมีวัด ปีกวิเวกทำจะเกิดก็ต่อเมื่ออยู่ในที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากแสงสีเสียงถ้าอยู่ใกล้แสงสีเสียงใจก็จะไม่สงบใจก็จะเกิดความอยากที่จะเสพลูกเสียงกิ่นอก สมาธิใจก็จะไม่สงบอย่างญาตโยมเนี่ยไม่มีวันที่จะนั่งสมาธิให้สงบได้หรอกนั่งกระพอหอมปากหอมคอพอให้มันความวุ่นวายใจมันเบาลงไปหน่อยั่นี้แต่ที่จะที่จะให้จิตรวมเป็นสมาธินี่ยากเพราะว่าญาติโยมไปติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นแล้วใจจะสงบได้ต้องตัด รูปเสียงกลิ่นลดออกไปตอนนี้ใจถูกรูปเสียงกลิ่นลดดึงออกมาใจจึงไม่สงบถ้าอยากจใจสงบต้องดึงใจกลับไปข้างในต้องดึงออกจากรูปเสียงกลิ่นลดน่นการจะดึงได้นี่มันต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืน พอเรานั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงเสร็จฟองมาปั๊บเราก็ไปเปิดทีวีดูไปเปิดตู้เย็นหาอะไรดื่มหาอะไรกินต่ออย่างนี้มันยังไม่ได้ได้ปฏิบัติจริงจงจังๆปฏิบัติแบบดูหนังตัวอย่างชิมหน่อยชิมรสของการนั่งสมาธิหน่อยนั่งสมาธิสัก ยีสิบนาทีสาสินาทีเราลุกออกมาก็อยากลูกเสีงากหาที่ินอยากหาเรื่องดิมมาดืมอยากดูทีวีดูอะไรดูมือถือเดี๋ยนี้มือถือนี่มีให้ดูทุกอย่างอยากจะดูอะไรนี่ปิดดูได้เลยก่อนที่อยากจะร่างสมาธิสงบนี้ต้องปิด ต้องไม่ใช้มือถือใช้เฉพาะเวลาจำเป็นเช่นต้องติดต่อทุละใช้เป็นแค่โทรศัพท์ก็พอแม้แต่โทรศัพท์ก็ไม่ต้องใช้ถ้าอยากจะให้จิตเข้าข้างในต้องตัดเรื่องข้างนอกไปให้หมดไม่รับรู้ไม่สนใจไม่ติดต่อใครถ้ามันยังติดต่ออยู่มันจะคอย มันจะคอยกังวลแนมนะ่มีใครโทรเข้ามาหรือยังบา ง, งทีเราก็อยากจะโทรหาคนนั่นหาคนนีน้ใจมันก็เข้าข้างในไม่ได้เรามาสมาธิก็คือดึง ใ, ใจเข้าข้างในเข้าไปในใจตอนนี้ใจของพวกเราอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรส อยู่ที่ราบยศสรรเสริญกันใจของพวกเราคิดแต่เรื่องนี้คิดว่าจะหาลาบหายยศหาสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจบวกร่ากายกันไม่เคยคิดว่าจะเลิกหากันไม่เคยคิดว่าจะตัดมันม่แต่จะหามันอยู่เรื่อยๆมันจึงเข้าข้างในไม่ได้นั่งยังไงมันก็ไม่สงบเพราะมันนั่งน้อยไป นั่ง2ี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงแล้วก็ออกไปสิบห้าชั่วโมงออกไปข้างนอกไปหาลูกเสียงกลิ่นรสไปหาราบยศสารเสือวันหนึ่งนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนี้มันจะได้เรื่องอะไรในเมื่อมันปล่อยให้ใจออกไปข้างนอกตลอดเวลามันต้องนั่งให้มากพอนั่งเสร็จพอลุกขึ้นมาก็ไม่ไปหาลูกเสียงกลิ่นรด ลกขึ้นมาก็เดินจงครมใช้สติดึงใจให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธให้อยู่กับร่างกายก็ได้ไม่ให้ไปอยู่ไม่ให้ไปหารากยกสรรเสริญไม่ให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสไม่ไปหาเหตุการ์ต่างๆเรื่องราวต่างแม้แต่ข่าวสารนี้ก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรส คนที่ต้องการความสงบนี้ต้องตัดหนึ่งต้องตัดราบยศสรรเสริญต้องตัดเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆไม่ไปสนใจใยดีเลยไม่ดูเรื่องไม่ดูราวไม่สนใจไม่รับรู้ใครจะเป็นใครจะตายในเรื่องของเขาเราต้องทำตัวของเราเหมือนคนตายเราถึงจะสามารถตัดสิ่งต่างๆได้ สมมติว่าถ้าเราตายวันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะติดต่อกับใครได้แนละ้วใช่ไหมไม่สามารถติดต่อกับสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆเหตุการณ์ต่างๆได้ราบยศสารเสริญศึกที่เรามีอยู่ก็หมดสก็หมดจากเราไปมีเงินร้อยล้านพันล้านเวล า, าเราตายก็ไม่ใช่เป็นของเราแนละ้วมีตาแหน่งเป็นนายกเป็นอะไรพอตายก็ไม่เป็นแนละ้ว มีสรรเสริญมีคนยกย่องเยินยอขนาดไหนตายแล้วก็ไม่มายกย่องเยินยอรสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายก็หาไม่ได้แล้วเราต้องสมมุติว่าเราเป็นคนตายถ้าเราอยากจะปฏิบัติเพื่อให้ใจเราเข้าข้างในเข้าสู่ความสงบต้องคิดว่าเราตายจากทุกสิ่งทุกอย่างไปตายจากราบยดสรรเสริญตายจากรูปเสียงกลิ่นรส เราเป็นคนตายแล้วเราติดต่อกับราภยสศสรรเสริญติดต่อกับคนนั้นคนนี้ไม่ได้เงินทองของเราใครจะไปทำอะไรนี้มันเราไปห้ามถอนไม่ได้ไม่ได้เป็นของเราถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะสามารถตัดการติดต่อตัดการสนใจให้ออกไปหาสิ่งต่างๆได้เราก็จะดึงใจด้วยพุโทโธให้เข้าข้างในได้ การปฏิบัติหนึง่งปฏิบัติเพื่อดึงใจเข้าข้างในจะดึงได้ก็ต้องตัดเชือกที่คอยคอยผูกใจไว้เหมือนเรือเนี่ยถ้าจะให้เรือวิ่งได้เนี่ยก็ต้องตัดเชือกตัดสมอนะถ้ามันยังผูกติดอยู่กับท่าเรืออย่างนี้วิ่งยังไงมันก็วิ่งไปไม่ได้ต้องตัดเชือกตัดเชือกที่มันผูกอยู่กับท่าเรือ พอตัดและเรือมันก็จะวิ่งออกไปได้ใจของเราจะเข้าสู่ความสงบได้ก็ต้องตัดราบยศสรรเสริญตัดรูปเสียงกลิ่นรสตัดบุคคลต่างๆเคยว่าตายจากกันแล้วตายจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องจากสามีจากภรรยาจากบุตรจากทิดาจากญา่สนิทมิตรหายเราเหลือแต่ดวงวิญญาณดวงเดียวแล้ว ปฏิบนี้าคิดว่าตัวเองเป็นดวงวิญญาณไม่มีร่างกายที่จะติดต่อกับใครได้แล้วถ้าคิดอย่างนี้ก็ไปอยู่ในป่าคนเดียวได้จะไม่คิดถึงใครถ้าไปอยู่ในป่าคนเดียวได้ก็เดี๋ยวก็บรรลุธรรมได้ถึวงปู่าั่นเนี่ท่านไปอยู่ป่านีนเชียงใหม่องคเดียวท่านกับเบบลุธทำที่เชียงใหม่ก่อนหน้านั้นท่านก็ยัง มีความผูกพันกับลูกศิษย์ลูกหายากโยมพระเนคอยอบรมสั่งสอนทำให้ท่านไม่มีเวลาเวลาที่จะดึงใจให้เข้าสู่ข้างในได้จนในที่สุดท่านเห็นว่าถ้าทำอย่างนี้ต่อไปก็ไม่มีวันที่จะบรรลุได้อันก็เลยอายุหกสิบแล้วเนี่ยไปอยู่ป่าไปทุ ด, ดงในป่า อยู่องค์เดียวไม่ยุ่งกับใครไม่ให้ใครมาอยู่ด้วยลูกศิลป์ลูกหาจะตามมาไม่ให้มาถ้าตามมาก็จะหนีไม่อยู่ด้วยกันต้องการอยู่คนเดียวอยู่เหมือนคนตายอยู่คนเดียวนี่ก็เหมือนอยู่คนตายคนตายนี้ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีพ่อไม่มีแม่ ไม่มีราบยศสรรเสริญไม่มีอะไรแล้วมีแต่ดวงจิตดวงใจดวงเดียวถ้าทำอย่างนี้จะควบคุมจะดึงใจเข้าสู่ความสงบได้ง่ายพุโทโธพุทโธไปเดี๋ยวเดียวจิตก็หลมได้พิจารณาทางปัญญาก็จะเห็นว่าทุกอย่างเป็นไตรลักไเป็น ร่างกายเป็นตายลักเป็นอสุภะ ต, ตัดตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้บรรุธทรได้ผู้ที่บรรลุธรรมนี่ส่วนใหญ่ไปบรรลุในป่ากนันทั้งบรรลุในขณะที่อยู่องค์เดียวถ้านุนขณะที่ อยู่กับพระพุทธเจ้ารับใช้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บรรลุพอใจของท่านเข้าข้างในไม่ได้เพราะห่วงพระพุทธเจ้าทําหน้าที่รับใช้พระพุทธเจ้าคอดูแลอัถ บ, บริการของพระพุทธเจ้าเป็นเลขาให้กับพระพุทธเจ้าก็เข้าข้างในไม่ได้แต่พอพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วอานอน์อยู่องค์เดียว ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิในป่าองค์เดียวสามเดือนก็บรรลุแล้วนี่แหละเราต้องเปรียบเทียบดูผู้ที่เข้าบรรลุ<ม>เขาบรรลุ ก, กันอย่างไรเขาอยู่ในสภาพไหนผู้ที่ไม่บรรลุเขาอยู่ในสภาพไห น, ไ น, ไหนถ้าเราอยากจะบรรลุทำเราก็ต้องเอาตัวอย่างของคนที่เข้าบรรลุทำกันเขาบรรลุ ก, กันอย่างไร เขาไม่ได้บรรลุ ก, กับการอยู่ร่วมกับคนนั่นคนนี้กับเรื่องนั่นเรื่องนี้กับสิ่งนั่นสินน่งนี้ถ้าจิตนันไปยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันจะเข้าข้างในได้อย่างไรมันออกอยู่ตลอดเวลามันถูกเรื่องต่างๆเดิน อ, ออกมามจะบรรลุทําได้ใจต้องเข้าข้างในใจต้อง ตัดลูกเสียงกลิ่นรสตั ด, า ด, ด, ด, ดราบรสจระเซินตัดบุคคลต่างๆออกไปจากใจเหมนตายจากกันเราต้องมำอาหัดตายกันตายในขณะที่ยังเป็นอยู่เนี่ยร่างกายยังอยู่ใจเราต้องสำวุดว่าเราไม่มีร่างกายแล้วเราไม่สามารถติดต่อคนต่างคนคนต่างๆได้แล้วสิ่งต่างๆได้แล้ว เวลาคนตายนั่งกายมันนอนเฉยเฉยนอะจะโทรโรัพหาใครก็ไม่ได้แล้วจะไปเยี่ยมใครก็ไม่ได้แล้วไปงานแต่งงานใครเขาก็ไม่ให้ไปแล้วถ้าคุณตายไปงานแต่งงานเขาจะไล่กลับเสียทีทำไมมาทำไมถ้าอยากจะบรรลุธรรมต้องต้องคิดว่าเราตายจากโลกนี้ไปแล้ว ถ้ายังคิดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่อยู่มันก็จะติดกับคนนั้นคนนี้ติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ติดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะเข้าข้างในไม่ได้สมัยนี้คนปฏิบัติธรรมก็เลยบอกไม่ต้องนั่งสมาธิมันเสียเวลาลวนั่งยงไงมันก็ไม่สงบเอาปัญญานี่เลยเพ้าปัญญามันจะตัดได้ให้มาสง ทําไม่ได้ปัญญาที่มันยากนี่กอสมาธิไม่รู้กี่เท่าสมาธิเพียงแต่พุโทโธพุโทโธนะเนี่ถ้าเป็นปัญญาจริงมันก็จะสอนให้เราคิดว่าเราตายไปแล้วเนนะี่เราปัญญาจริงอันนี้จังใช่ไนหะ ถ้าเป็นปัญญาจริงล้วก็ต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าเป็นปัญญาป่อนมันก็เลือกตัดในสิ่งที่มันไม่ชอบได้สิ่งที่มันยังชอบอยู่มันก็ไม่ตัดตของที่เราไม่ชอบนี่เราโยนทิ้งไดเลยแต่ของที่เราชอบนี่ยากเลยจะโยนทิ้งเนี่ยของอะไรที่เราไม่ชอบ พวกขวดเปล่าเนี่ยนะเวลามีน้ำอยู่นี่เราไม่ทิ้งมันหรอเก็บไว้ในรถได้พอกินมันหมดแล้ว เ, เก็บไว้ในรถไม่ได้แล้วต้องโยนทิ้งออกไปนอกรถอันนี้ก็พูดไปให้ญาติโยมมีข้อคิดบ้างเราจะได้ไม่สงสัยว่าทำไมเรานั่งสมาธิไม่เคยได้ผลกันเลย ปัญญาก็ตัดกิเลจไม่ได้ยังเสียดายยังรักยังหวงอยู่ถึงแม้จะรู้ว่าจะต้องจากกันก็ยังไม่ยอมจากกันจาจากกันก็ต้องถูกบังคับให้จากนะถึงจะจากกันทางเทศเราก็ฟังอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดมนาะแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แต่เราไม่ยอมตายกันถ้าไม่ถูกบังคับไม่ตายไม่ยอมตายกันถ้าเรายอมตายได้นี่เราจะสบายเราจะตัดกิเลสได้ตัดความทุกข์ได้แต่เราไม่ยอมตายเราก็เลยต้องทุกกับความตายกันทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วย ทุกกับความแก่เพราะความไม่ยอมเพราะคิดว่าเรามีปัญญาแต่มีปัญญาแต่ตัดกิเลสที่ทาให้เราทุกข์กับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้รู้ว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้คือปัญญาแต่ปัญญาที่จะเป็นปัญญาแท้จริงต้องตัดได้ถึงจะเรียกว่าปัญญาที่แท้จริง เป็นแต่รู้เฉยๆแต่ตัดไม่ได้นี่ยังไม่ถือว่าเป็นปัญญาที่แท้จริงเมื่อเรารู้แล้วว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บ ต, ต้องตายทาไมเราปล่อยไม่ได้ทําไมเรายอมให้มันแก่มันเจ็บมันตายไม่ได้ก็แสดงว่าปัญญาเราไม่มีกําลังที่จะตัดตัดกิเลสคือความ ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็รู้อยู่ไม่ใช่เหรอว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราทำไมไม่ยอมทำไมยังอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากไปแล้วมันทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือเปล่ามันก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมแต่ถ้าไม่อยากถ้าไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะไม่ทุกข์มันจะสบายใจ มันจะเฉยๆมันถึงต้องปฏิบัติไงรู้เฉยๆนี่ไม่พอศึกษาเฉยๆไม่พอศึกษาแล้วต้องมาปฏิบัติต้องมาทําใจให้ได้การปฏิบัติก็คือการทําใจทําใจให้รับกับความจริงที่เราได้ศึกษามาเราได้ศึกษามาว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวเราของเรามาจากดินน้ำลงไปเดี๋ยวถึงเวลามันก็ต้องแก่เจ็บตายไปถ้าเรายอมให้มันแก่เจ็บตายเราจะไม่ทุกข์เลยที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่ยอมไม่ยอมแก่กันเห็นไมไปทําสัญญกรรมกันไปยอมผมยอมผ้ากันยอมยอมผมกันเปลี่ยนสีกันพอเป็นขาวก็ หาสีใหม่ อ, อางนี้นอกจากสีดำแล้วก็มีสีแดงสีเขียวสีอะไรอยาเยอะแยะไหมดไปดูไม่รู้ว่าแกหรือสาวสมัยนี้บนน ท, ทีคนแก่เนี่แต่ยอมผมสีเขียวสีแดงเพราะไม่ยอมแก่ใช่ไหม แ, แล้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ยอมเจ็บวิ่งหาหมอวิ่งหายากันงรุ่นไม่หมด เวลาตายก็ไม่ยอมตายทั้งๆ ท, ที่มีปัญญาว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเป็นปัญญาจริงนี่มันจะทำให้ใจสงบไม่ใช่ทำให้ใจทุกข์ถ้าเป็นปัญญาพรมันจะทำให้ใจเพราะมันจะไม่ยอมแก่ไม่ยอมเจ็บไม่ยอมตายเพรนั้นต้องมา ปิบัติฟังเทศฟังทรรอย่างเดียวยังไม่ได้เป็นปัญญาจริงยังไม่ได้เป็นธรรมแท้ถ้าเป็นธรรมแท้นี้ต้องทำให้ต้องรักษาใจให้สงบได้ทุกเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใจจะนิ่งจะเฉยจะไม่เดือดร้อนจะไม่วุ่นวายจะไม่หวาดกลัวถึงจะเป็นปัญญาจริง จะเป็นธรรมแท้ธรรมแท้นี้จะมารักษาใจให้สงบให้ปลอดปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆถ้ายังมีธรรมะแล้วใจยังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ามันไม่ใช่เป็นธรรมแท้ไม่ได้เป็นปัญญาที่แท้จริงถ้าเป็นปัญญาที่แท้จริงนี้ใจจะไม่ทุกข์กับอะไรเลย ดังนั้นการได้ฟังเทศฟังธรรมอย่างเดียวเป็นเพลงจุดเริ่มต้นต้องฟังจะได้รู้ว่าต้องปฏิบัติอะไรถ้าไม่ฟังเราก็ไม่รู้จักว่าเราจะปฏิบัติอะไรกันตอนนี้ฟังเรารแล้วสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คือทำใจเราต้องตรงให้ได้วางให้ได้ปล่อยให้ได้ตัดให้ได้กับของที่ไม่ใช่เป็นของเรากับของที่จะต้อง ต้องเสริมต้องจากเราไปถ้าเรากลงได้ยอมได้ทำใจได้เราก็จะไม่ทุกข์ตอนนี้เราทำไม่ได้เพราะเราไม่มีกำลังใจเราไม่มีกำลังปล่อยเราต้องมาหัดปล่อยกันด้วยการนั่งสมาธิไปนั่งสมาธิเราก็ปล่อยทุกอย่างเราดึงใจเข้าข้างใน อะไรกลับมาที่ตรงที่ว่าทําไมเราจึงต้องมาทําตัวเราเป็นเหมือนคนตายเพื่อเราจะได้ปล่อยถ้าเราคิดวลาเป็นคนตายแล้วเราก็ปล่อยทุกอย่างแล้วตอนนี้เราต้องสมมุติว่าเราเป็นคนตายแล้วแล้วเราก็ไปอยู่คนเดียวปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็จะทําใจให้สงบได้ทําใจให้เป็นสมาธิได้พอใจเป็นสมาธิแล้วก็จะปล่อยได้จะปลงได้จะวางได้ ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็เป็นธรรมสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะอนุโมทนาให้พออาจารย์ครับวันนี้ยู u ูบเป็นสามสิบห้าสคนแล้วครับวันนี้แล้วก็ Facebook ประมาณ5้าร้อยหลายครั้งแล้วครับประมาณห้นวันนี้ แดสดงว่าแสดงทำไม่ไม่ไม่เสียแรงมีคนฟังเยอะถาวายแล้วเชื่อนะได้เลยครับต่อไปก็เยอะเองว่ายูทูบคำน้ำบ บ, บ, บ, บ้านอยู่ที่ไหนอยู่บ้านได้ติดตามทางยูทูบอย่าง Facebook ก็เปล่า ไม่ติดใจลยอยากฟังทำก่อนเดียวก็ม e ีมีถามตอบปัญหาทำญาโยมที่ทางบ้านเขาจะส่งข้อความเข้ามามีเข้ามาเยอะอย่างข้อข้อความเดี๋ยวยังไม่มีอถาเดี๋ยวพอเขารู้ว่าตอบเดี๋ยวเขจะสองเข้ามาเดี๋ยวรอให้ ให้นิ่งก่อน ค, คุยธรรมะต้องนิ่งๆนี่นนนมีรสชาติมีญาโยมอยากได้ธรรมะโดนใจหนึ่งสองตอนนี้มีโผล่ขึ้นมาอีกเนี่ยพอดีไปถามคนที่เก็บหนังสือก็บอกอยังมีอยู่ <c oughs> ก็เลยเอาออกมาแจกเพราะมีคนเคยถาม อยากได้เล่มหนึ่งเล่มสองตอนนี้มีแล้วก็ อ, อยากได้ต้องมาเอาเองเล่มสามเพ่งแจกหมดไปคนที่ได้เล่มสามเขาก็อยากจะได้เล่มหนึ่งเล่มสองถามหาดูตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ายังมีอยู่แล้วก็บอกว่าหมดไปแล้วถ้าอยากจะถามก็ คำ ถ, ถามจากในเฟซบุ๊กนะคะเวลาผมสวดมนต์ปากก็สวดไปแต่ใจกับสมองมันไม่ค่อยจะไปคิดถึงเรื่องอื่นไปมองเห็นภาพอดีตบ้างเห็นภาพคนอื่นสิ่งอื่นบ้างจะทำอย่างไรให้ใจกับความคิดมันนิ่งและอยู่กับการสวดมนต์อย่างเดียวครับมผมไม่รู้จะทําย่ง จะทำไงพยายามให้อยู่กับการสวดได้ปลาเตียวเดี๋ยวมันก็ไปอีกเราต้องมันฝึกสติก่อนฝึกสร้างสติขึ้นมาก่อนตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี้เราก็ต้องดึงใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวหรืออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าอยู่กับเนื้อกับตัวก็ดูร่างกายว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กำลังนอนกำลังลุกขึ้นมากาลังยืนกาลังเดินกาลัง อาบน้ำนั่งหน้าแปรงฟันให้ใจเราอยู่กับการกระทําของร่างกายไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นเราชอบทำสองอย่างคือพอเราลืมตาขึ้นมาเราก็ลุกแล้วแล้วก็นึกก่อนนี้จะไปทําอะไรไปคุยกับใครไปทํารื่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรืยเปื่อยไปร่างกายก็ทําอะไรไปมันก็เลยเป็นนิสยัยพอมานั่งสวดมนต์มันก็สวดไปแต่ปาก เราใจมันก็ไปคิดถึงเรื่องน้เรื่องนี้ต่อไปมันจะไม่ได้อยู่กับการสวดมนต์นั่นเราต้องให้มันอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นตื่นขึ้นมาก็สวดมนต์ไปภายในใจเลยก็ได้สวดไปอยู่กับการสวดมนต์ไปทําอะไรก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้เดี๋ยวต่อไปเวลามานั่งสมาธิมานั่งสวดมนต์มันก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ คำถามจากคุณสุมาวดีนะคะขณะฟังธรรมจากพระอาจารย์จิตรวมเกิดความสงบขณะนั้นยังได้สิได้ยินเสียงพระอาจารย์อยู่ตลอดเราควรจะจดจ่ออยู่กับความสงบต่อเมื่อไปจนกว่ามันจะถอดออกมาเองแล้วค่อยกลับไปฟังธรรมต่อถูกต้องหรือไม่คะถ้าจิตสงบแล้วมันก็จะไม่ไปสนใจกับเรื่องราวต่างๆถึงแม้ว่าจะได้ยินมันก็จะสักแต่ว่ารู้เฉยๆก็ให้รู้เฉยๆไป ให้มีสติควบคุมใจให้ตั้งอยู่ในความสงบให้สัจจะว่ารู้ไปคำถามจากคุณการนัตมนนะคะการปฏิบัติธรรมเป็นปกติในทุกๆวันและในวันพักให้อ น, นิสงแตกต่างกันหรือไม่ครับทำมันจะต่างกันตรงที่ทำมากทำน้อยทำมากอ น, นิสงก็มากผลก็มาก ทำน้อยผลก็น้อยอันที่สอก็น้อยคง ถ, ถามจากคุณปัทถารพรลูกขออุ บ, บายวิธีแก้อาการจิตตกใจจากการนั่งสมาธิแล้วจิตตกผวังลูกจะกลับมาใช้คำบริกรรมทำให้นั่งสมาธิไม่ก้าวหน้าเจ้าคะ่ะก็เวลาตกใจก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับคำบริกรรมไปเรื่อย อะไรเกิดขึ้นปั๊บแล้วมันก็ดับไปแล้วก็อย่าไปอยากให้มันไม่เกิดเพราะมันจะทำให้เราเครียดไปเปล่าๆอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปจิตมันจะตกก็ปล่อยมันตกไปมันจะตกใจก็รู้ว่ามันตกใจไปให้เรามีสติรู้อยู่กับสักแต่ว่ารู้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรให้สักแต่ว่ารู้ไปเฉยๆไปคาถามจากคุณธนกร การเจริญสติในชีวิตประจําวันว่าการเจริญสติแบบไหนถูกต้องครับพอเกิดแล้วรู้สึกตัวหรือแบบเพ่งจิตเพ่งดูจิตครับควรจะมีอะไรกํากับจิตจะใช้คําว่าพุโทโธพุโทโธก็ได้แล้วจะใช้การจดจอ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้อย่าไปเพ่งดูจิตเฉยๆเพราะว่ามันจะไม่ทําให้จิตนิ่ง พรจิตมันคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาวิธีจะทำให้มันนิ่งก็คือเราต้องจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะนิ่งเองคําถามจากคุณปุญสวรรค์การที่เราจะใช้ปัญญาพิจารณาก่อนก็ต่อเมื่อจิตฟุ้งซ่านมากๆไม่รวมเป็นสมาธิง่ายใช่ไหมครับพอจิตสงบแล้วจึงมาพิจารณาทางปัญญาอีกครั้ง ก็ถ้าเรามีความสามารถที่จะทาจิตให้สงบได้ด้วยปัญญาก็ทำได้ถ้าเรามีความสามารถที่จะใช้สติทาใจให้สงบเราก็ใช้สติก็ได้แล้วแต่ความสามารถของเราว่าเราจะมีความสามารถในทางใดเป้าหมายก็คือการทำใจให้มันสงบก็แล้วกันคำถามจากคุณปลาสี่ข้อสี่มุสานี้รวมถึงพูดจาส่อเสีย พูดกล่าวว่าคนอื่นถึงแม้เป็นเรื่องจริงก็ผิดใช่ไหมคะครับปกติของศีล5 น, นี่ก็เพียงแต่เรื่องของการไม่พูดความจริงแต่ถ้าเราต้องการรักษาศีลที่ละเอียดขึ้นไปการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดการพูดเพ้อเจ้อการพูดอะไรอันหนึงนะคำหยาบเพ้อเจ้อพูดส่อเสียด คำพูดเหล่านี้ก็ไม่ควรที่จะพูดถ้าเราอยากจะให้มีศีลที่ละเอียดขึ้นไปแต่ถ้าเพียงแต่รักษาศีลห้านี้เพียงแต่ไม่พูดปดนี้ก็พอเอาขึ้นมาได้เลยเอตอนนี้หยุดคำถามชั่วคราวมีญาตโ ย, ยนจะนำมาเอาเข้าวของมาทำบุญ ก็ขอพักคำถามไม่ชั่ว่าข่าวกันไม่เช่นนั้นเดี๋ยวมันจะลบกวนกันเข้ามาเลยเข้ามาข้างในเลย ม, มาจากที่ไหนกันว่า น, นี้ไหนกบบบน็จากปวกแดงครับปงแดงตะยองเนี่ยปวงแดงถ้าอยากได้หนังสือซีดีก็หยิบมานะ ทางสบายจะนั่งฟังเทศต่อก็ได้นะเรากำลังมีสนทนาทางทางเฟ e บุ๊กอ่าคถามต่อไปคำถามจากคุณมักพระพิสตุต้องสวดปฏิโมกเป็นทุกท่านหรือไม่ครับเวลาลงอุโบสถเออไม่ต้องหรอกเวลาลงอุโบสถนี่จะมีผ้าสวด นัั่งงไปคำ ถ, ถามจากคุณธนกรเมื่อภาวนาไปเรื่อยๆแล้วสัญญาความจำน้อยลงหรือว่าไม่เกิดขึ้นเรื่อยแบบนี้ถูกต้องไหมครับเวลาภาวนาทำใจสงบนี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะระ ง, งับชั่วคราวเวลาจิตสงบพออยากความสงบมามันก็จะมีเหมือนเดิม คำถามจากคุณโลสวดมนต์ยาวๆนานๆกับสวดมนต์สั้นๆได้บุญเท่ากันไหมคะขอสวดมนต์สั้นแล้วฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาให้จิตสงบดีไหมคะคือจะสวดสั้นสวดยาวนี่ก็จะได้บุญมากบุญน้อยก็อยู่ที่ความสงบมากความสงบน้อยถ้าสงบมากก็ได้บุญมากเพราะความสงบนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึงดังนั้นถ้าต้องการ บุญมากๆก็ต้องทำให้ใจสงบไพยมากๆจะสงบด้วยวิธีใดก็ได้สงบด้วยวิธีสวดก็สวดไปสงบด้วยการบริกรรมพุโทโธก็บริกรรมไปวิธีไหนก็ได้ขอให้มันสงบและสงบได้นานๆก็จะได้บุญมากๆคำถามจากคุณคูณจิตใจยังไม่ตั้งมั่นในภารตนาตายควรแก้ไขอ ย, อย่างไรดีคะ ก็มันฟังเทศฟังธรรมมันศึกษาพระพุทธประวัติมันศึกษาพระสาวกประวั ต, ศววติศึกษาพระธรรมคำสอนเมื่อเราศึกษาบ่อยๆเข้าเราก็จะเกิดความรู้จัก ด, ดีขึ้นความศรัทธาความเชื่อก็จะมีความตั้งมั่นเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าจะให้มีศรัทธาแบบไม่สั่นคลอน มีศรัทธาแบบทาวรอนนี่ต้องปฏิบัติตามคำสอนถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนแล้วเรามีดวงตาเห็นธรรมเราก็จะไม่มีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงเราก็จะมีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงอย่างท้าวรอนไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นกับศาสนา ก็จะไม่มีอะไรที่จะมาทําให้จิตใจเราสั่นคลอนจากศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เลยเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงนี้ไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ไม่ได้อยู่ที่เจดีไม่ได้อยู่ที่หนังสือพระไตรปิฎกไม่ได้อยู่ที่ผู้ที่มาบวชเป็นพระภิกษุเป็นสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงนี้อยู่ในใจของผู้ที่บรรลุธรรมผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรม ดังนั้นถ้าถ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกเสื่อมเช่นพระพุทธรูปถูกเข้าทําลายไปหนังสือธรรมะถูกเข้าเผาไปพระภิกษุถูกข้าวฆ่าไปหรือประพฤติตนเองไม่ไม่เหมาะสมอันนี้จะไม่ได้มาทําให้เราเสื่อมจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราได้ขึ้นมาภายในใจของเรานี้จะไม่มีวันเสื่อมจะเป็น ทำที่ปกป้องรักษาใจของเราได้เป็นสาระเป็นที่พึ่งทางใจของเราได้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราตถาคตผู้มีดวงตาเห็นธรรมผู้บรรลุธรรมจะเห็นพระพุทธเจ้าจะรู้จักพระพุทธเจ้าทันทีว่าเป็นใครแล้วผู้ที่บรรลุธรรมผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าก็คือพระอริยสงฆ์นั่นเองยันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็จะมารวมกันใน ในจิตของผู้ปฏิบัติผู้ที่บรรลุธรรมเมื่อมีพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์อยู่ในใจแล้วก็จะไม่มีวันที่จะเสื่อมศรัทธาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปได้แล้วเรื่องสมณศากด์นี่แหละครับ <c oughs> มันควรจะมีอยู่ในพุทธศาสนามครับมันไม่มีหรอกในศาสนาพุทธนะ <c oughs> มันมันมีมาเพราะว่าญาติโยมนี่แหละเป็นคนมาถวายให้กับพระเอง ที่มันก็อยู่ที่พระพระก็ไปยินดีเข้ามันก็เลยไปด้วยกันได้แต่ถ้ามีคนมาถวายแล้วเราคนไม่ยินดีแล้วก็ต่ อ, อไปก็จะไม่มีใครถวายใช่หมแต่ที่นี้คนมันยินดีเพราะคนยังมีกิเลสอยู่คนที่มาบวชยังมีกิเลสอยู่มันมีการยินดีเขาก็เลยเห็นว่าเออท่านชอบท่านอยากได้ก็เลยถวายกันใหญ่ มันก็ไปทางโลกไงไปทางลาบคือเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่ผู้มาบวชมาศึกษามาปฏิบัติต้องรู้จักแยกแยะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่บางทีเราไม่สามารถที่จะไปกีดกัน้นไปขวางมันได้ซึ่งเหตุการณ์ทิ้งต่างๆที่เข้ามาในศาสนาพุทธเนี่ยมัน มันไม่ได้เป็นพุทธต้องเยอะแยะแม้แต่พระพุทธรูปนี้ความจริงก็ไม่ได้เป็นพุทธนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้สร้างพระพุทธรูปมีพระรูปหนึ่งเมื่อไปแกะสลักพระพุทธรูปมาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกนี่ไม่ใช่เรามีเป็นไม้แกะสลักไม่ใช่ตัวเราถ้าเราอยากเชอเธออยากจะรู้จักตัวเราว่าเป็นใครเธอต้องไปปฏิบัติธรรมให้บรรลุธรรมไปมา เมื่อเธอเห็นทำแล้วเธอก็จะเห็นเราตถาคตเห็นปัญหาก็คือผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาไม่ได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งแล้วก็ทำอะไรไปตามความรู้สึกนิกคิดของตนผู้ที่ถวายสมณศักด์ท่านก็มีความปรารถนาดีท่านก็อยากจะยกย่องเชิดชูพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ท่านก็เห็นว่าพระ ก, ก็ไม่รับเงินรับทองไม่รับอะไรก็ถวายสัมมาสัชกไปเพื่อให้ให้ให้ให้รู้ว่าพระรูปนี้มีความพิเศษจากรูปอื่นเท่านั้นเองความหมายมันมีอยู่แค่นั้นก็วัถูกปิดเพืินในภายหลังทั้งหมดมันมันกลายเป็นเป้าหมายของการมาบวชกันแล้วถ้าไม่ได้เป็นไม่ได้สัร ม, มาสัชกแสดงว่าไม่ได้เรื่อง มันเป็นทางเข้าใจผิดนะอันนี้ของเหล่านี้ต้องถือว่าเป็นราบศักการะเป็นของที่ผู้มีศรัทธาเคารพนับถืออยากจะตอบตอบแทนบุญคุณอยากจะแสดงความกระตันยูกระตเวทีก็จะ อ, อยู่ในสี่อย่างที่สี่ข่วงธรรมใช่แต่มันเป็นเรื่องของทางโลกที่มาเกี่ยวข้องกับทางธรรมแล้วก็พระที่ ไปเกี่ยวข้องนี้ไม่แสดงทําให้ชัดเจนให้เขาเข้าใจแต่ก็ยังไม่ถึงกับบรลานซอ๋อไม่มันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่เขาเอามาถวายผู้รับก็รับได้อย่างหลวงตาเขาก็ถวายฉันทำแทนก็รับไปเพราะว่ามันเป็นมารยาทถ้าผู้หลักผู้ใหญ่พระเจ้าแผ่นดินมีศรัทธาที่อยากจะถวายเครื่องสักการะในรูปแบบของสามนะศัต์ ก็รับได้เพีแต่อย่าไปยินดีเท่านั้นเองผู้รับมันต้องรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่เป็นเป็นของชําร่วยอะไรงี้มันไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังมันไม่ได้เป็นธรรมไม่ได้เป็นเรื่องที่ผู้มาบวชมาแสวงหาแต่ถ้ามีคนถวายมาก็รับไปรับไปแล้วก็จบก็ไปวางไว้เฉยๆอย่างเช่นของยอดโยนํามาถวายเนี่ยเราไม่ได้ใช้หรอกแต่เราก็ต้องรับใช่ไหม เราบอกอยเราไม่ใช้เอากลับไปเดี๋ยวพวกนี้มาก็เสียใจายมาแทบเป็นแทบตายมาแล้วก็ไม่รับแล้ว <c oughs> ก็รับร่ำไปแล้วก็จัดการต่อไปว่ามันสมควรไปที่ไหนก็ให้มันไปไม่ควรสะสมไว้ถ้าใช้ได้ก็ใช้เก็บไว้ให้พระใช้พระใช้ไม่ได้ก็เอาไปทำบุญทำทานต่อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเหลยอร้อนต่อไปการสะสมนี่ <c oughs> เป็นกิเลสเนี่ยเป็นกิเลสพระ ท่านสอนพระให้อยู่เหมือนน ก, mm hmm. นกเข้าใจไหมไปแบบนกอยู่แบบนกเว mm hmm. ลานกไปมันไม่มีของพลงพลงังเต็ดตัวไป mm hmm. ให้มีแต่ของเท่าที่จําเป็นอัฐะมริขานสมบัติแปดชิ้นของพระเป็นสมบัติที่ต้องมีนอกเหนือจากนี้แ้อง mm hmm. มีก็ได้ไม่มีก็ได้เจ้าว่านี่พวกขมนไม่หาตามได้นะเพราะว่าพวกผุนมีทายาทมีบุตร มยูดามีคนที่ผมต้องอุปการะผมก็จะต้องรักษาได้แค่สี่มาก็ไม่แน่แล้วพวกที่มาเป็นภาะก็มาจากคาราอ้อนทั้งนั้นไม่ใช่มีใครเกิดมาเป็นภา ะ, ะบ้างอ่ะใช่ไหมในเมื่อคุณมา ร, รึกษามาฟังเทศทางธรรมบ่อยๆแล้วคุณไปปฏิบัติบ่อยๆมากขึ้นแล้วคุณได้รับผลจากการปฏิบัติคนก็จะเห็นว่าของต่างๆนี่มันไม่เป็นของจาเป็นเลย คนก็จะตัดทิ้งไปได้เองแต่ตอนนี้คนยังคิดว่ามันเป็นจำเป็นอยู่คุณยังต้องพึ่งมันอยู่เพราะคุณไม่มีธรรมเป็นที่พึ่งแต่ถ้าพอคณปฏิบัติแล้วมีธรรมขึ้นมาภายในใจนี้คุณก็จะรู้ว่าคุณไม่ต้องพึ่งอะไรคุณก็จะตัดได้หมดคณก็ไปบวชได้คนที่ไปบวชได้เพราะว่าเขาเขามีธรรมภายในใจเป็นที่พึ่ง ไม่ต้องพึ่งราบสักการะไม่ต้องพึ่งราบยศสรรเสริญเรนก็ลองศึกษาแล้วลองไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติดูถ้าใจสงบเมื่อไหร่ใจมีธรรมเมื่อไหร่แล้วตอนนั้นก็จะดูแล้วว่าเราไม่ต้องมีอะไรก็ได้มีก็ต้องเสียอยู่ดี mm hmm. ใช่ไหมมีอะไรสักวันหนึ่งก็ต้องพัดทากจากกันตอนนี้เราไม่ต้องพึ่งเขาแล้วเราไปอยู่คนเดียวได้แล้วเรามีธรรมเป็นที่พึ่งแล้ว เพราะนี้ให้แต่ความสุขไม่มีความทุกข์แต่ของอย่างอื่นให้ทั้งสุขและให้ทั้งทุกข์เวลาสุขก็ดีไปเวลาทุกข์นี่แทบเป็นแทบตายเลยสุขก็ชั่วการ์ดชั่วกร์ดแล้วทุกข์นี่มันหนักนาสาหัสกว่าถ้าคุณได้ทําแล้วคุณก็จะเห็นโทษของสิ่งต่างๆพ่ามันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นสุขหรอกคุณก็จะเท็มทุกอย่างไปได้ เพราะคุณรู้ว่าในไม่ช้าก็เร็วก็ต้องทิ้งก็ต้องจากกันอยู่ดีใช่ไหมเห็นจากแบบที่มีที่พึ่งไม่ดีกว่าเจากแบบไปสั้นที่พึ่งที่ดีกว่าไม่ดีกว่า เ, เดี๋ยวก็ทิ้งได้ลองมาบ่อยๆลองมาปฏิบัติบ่อยๆพ <c oughs> อใจสงบแล้วมันก็จะเบื่ อ, อกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสักวันหนึ่งคุณก็จะบอกว่าชีวิตคาราวานนี่มันวุ่นวายเนอะ <c oughs> ดูค้าๆอยากให้บวชอ้าว <c oughs> ก็ศาสนาพุทธก็มีสอนให้กงบวชทั้งนั้นแนะ่ะใช่ไหมเป้าหมายของศาสนาพุทธก็คือการหลุดพ้นจะหลุดพ้นมึงก็ต้องบวชเนี่ยก็ดูแต่คนที่เขาหลุดพ้นเป็นคฆราวาสที่ไหนกันนะเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปเซนนี้เป็นพระทั้งนั้นเป็นฆราวาสมาหกสิบปีจกลับไปเป็นภิกษุกลมยาก ก็คงจเราชาติหน้าชาตินี้ก็สร้างสร้างบุญต่อไปก่อนครับทําบุญทําทานบางเทศบางทางวันพระก็ลองมาหัดถือศีลแปดเป็นอุบาสกไปก่อนสร้างบุญสร้างบุญได้เยอะแล้วตัดไม่ได้ไม่มีกําลังถ้าไม่ได้สร้างก่อนแรกจะแตกง่ายแต่ไม่รู้ไงว่ามันเป็นบ่วงมันคิดว่าเป็นเป็นสุกไง พี่ได้เสพชั่วคราวเราต้องพยายามศึกษาธรรมะจะได้มีอะไรเตือนใจไว้เกิดชาติหน้ามาเกิดใหม่จะได้จําได้ว่าเป็นบ่วงนะเว้ยอย่าไปมีนะอบางคนชาตินี้ก็มาเกิดเขาบวชในตั้งแต่เด็กเลยแสดงว่าเขาเห็นบวงแล้วเขเห็นอะไรเป็นบวงไปหมดนะเขาเห็นอนนี้จังเห็นโน่อย่างไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องดับได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากไปแต่ก็ะทั่งพิสูจน์เอง ขึ้บวชมาหลายๆสิบพรรษาก็ก็มาเสียตอนแก่ก็เยอะไงก็อยู่ที่ว่าเขาบวชเพื่ออะไรถ้าเขาบวชเพื่อทํามันจะไม่เสียหรอกแต่ถ้าเขาบวชเพื่อเป็นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขามันก็เสียได้ครับพระอาจารย์ครับขออนุญาตตัดอัดได้เลยตัดต่อแล้วยังต่อแล้วถ้าหน้าผมยืดจาได้ก็บารมีนี้มันจะทําให้เราทําในสิ่งที่เราควรจะทํา มันเป็นการปลูกฝังนิสัยไงนิสสยนี่มันไม่เปลี่ยน จ, จาใจเราเวลาตายไปนี่ถ้าเรามีนิสัยอยากจะบวชชาติหน้าก็บวชไดน้นี่นี่นี่ก็ใช่เป็นการถามนะว่าจะัเออผ ม, ผมไม่เคยสยมผมไม่เคยนั่งสมาธิแล้วก็ผก็ได้แต่ หลายอย่างที่บางทีผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องสวดมนต์ทำไมเราต้องเรียนรู้ว่าภาษาบาลีอย่างนี้นะแล้วมันแปลเป็นไทยว่าอะไรนะคือคือผมก็ออกแนวเนี้ยคือ <c oughs> <ม>บางอย่างคนก็ไม่ต้องรู้ก็ได้ไม่ควรรู้กันดะแต่บางอย่าง ค, ควรรู้และควรกระทาด้วย <c oughs> ควรรู้วิธีนั่งสมาธิและควรนั่งสมาธิ เพราะสมาธินี้จะเป็นตัวที่ทำให้คุณมีพลังที่จะสามารถตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่เรื่องบาลีนี่รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้อขอให้เราเข้าใจความหมายของธรรมะจะเป็นภาษาบาลีเรื่รองเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้แต่ไม่ต้องไปรู้ถ้าถ้าเราเข้าใจธรรมะเป็นภาษาไทยแล้วไม่ต้องไปรู้บาลีก็ได้แต่ต้องรู้วิธีนั่งสมาธิ เพื่อทำใจให้สมามเป็นสมาธิให้ใจสงบเพราะคุณต้องมีสมาธิในการที่คุณจะตัดลตันได้ต่อไปคุณก็จะนั่งสมาธิเองต่อไปคุณก็จะเห็นคุณค่าของการนั่งสมาธิว่านั่งแล้วทําให้เราสบายใจดับความทุกข์ใจต่างๆที่เกิดจากทิเลตันหาได้ตอนนี้เวลาคุณไม่สบายใจทําไงเวลาที่ผมไม่สบายใจอ มันก็จะมานั่งคุยกันเองเราจะต้องคุมใหดีทำไมมันไม่สบายใจหาสอะไรเองแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขนานไหมนานไม่กว่าจะหายไม่นานผมไม่เคยเครียดกับอะไรนานๆก็แสดงว่ามีปัญญาใช้เหตุใช้ผลก็เรียกว่าปัญญาแล้วมีมีความเครียดแบบที่แก้ไม่ได้ไ้ย ความทุกแบบที่แก้ไม่ได้ทุกอย่างมีเรื่งมันมันไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้เลยบางเยื่ว่าแก้ได้เป็นบางครั้งแล้วก็บางครั้งมันก็กลับมาอีกอ <c oughs> หายไป อ, อีกก็กลับมาอีกยังไม่แก้อย่างถาวรก็อย่างถาวรยังไม่ยังมกบาง <c oughs> เรื่องที่แก้อย่างถาวรไม่ได้ อ, อย่างเช่นเรื่องลูก ลูกเราทำไมอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นอะไรนัญญากเป็นอย่างนั้นได้ชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเป็นอย่างนี้อะไรเราไม่เห็นนั้นที่จะมาอนุตตรเนี่ยเอเราไม่เห็นว่าเขาไม่เที่ยงเราไม่เห็นว่าเขาเป็นอนุตตรเราไปสั่งเขาไม่ได้เราทุกก็เราอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากได้แต่เมื่อย้อนดูตัวเองครับสมัยเราเป็นลูกเขา เราก็เหมือนเขนต่างเท่าไหร่มันก็มันก็จะคลายได้อมันก็จะคลายได้ว่าเออต้องปล่อยสัร่ครับจะปล่อยวางเป็นต้องปล่อยได้ครับไี่ติดเพาเผลอเป็นยึดติดไม่ปล่อยอย่างตลอดก็ต้องจนกว่าจะจําได้ว่าต้องปล่อยตลอดถึงจะไม่ทุกข์เราไปแม้อาจจะทุกข์น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็ดับเร็วขึ้น พอมันจะจําได้วิธีปล่อยพอรับทุกข์พ่อไม่ปล่อยมันพอได้สติปั๊บก็ปล่อยพอปล่อยปั๊บก็หายทุกข์เราต้องปล่อยทุกอย่างพ่อไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มอะไรเป็นของเราอ่าว่ามาคําถาว<ข>อาจารย์ครับเมือ่อเมื่อสองขอแชร์ประสบการณ์ตัวเองครับเมื่อสองสาวันก่อนนะครับมีสภาวะหนึ่งที่ทําให้จิตฟุ้งซ่าน ส, สุดๆเลยครับอาจารย์ ก็มาพิจารณาว่าเอมันเป็นเรื่องในอดีตและเรื่องในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่พอกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยหายหมดเลยครับพระอาจารย์หายเกี้ยงเลยครับ<ช>ไม่เหลืออะไรเลยครับอาจารย์เพระาพระมันไม่มีอะไรเราไปปรุงแต่งขึ้นมาเองหลอกตัวเราเอง <pok. S 1> ไปเสียใจไปวิตกกับมันเองเรื่องมันยังไม่เกิดเรื่องมันก่อยไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วก็ยังมาคิดอยู่เขาด่าตั้งแต่เมื่อวานนี้นก็ยังมาโกรธเขาอยู่ ถาอยู่ปัจจุบันนี้หายหมดเลยครับเพีงเลยครับไม่เหลือเลยเนี่ยการเจริญพุทโธพุทโธเจริญสติให้ดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันเพื่อไม่ให้ไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตแล้วเราจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นปั๊บก็ดับไปแล้วคําพูดของเราเนี่ยพูดปั๊บมันหายไปแล้วแต่เรายังเอามาคิดอยู่ดึงกลับมาอยู่เรื่อยๆมันเมืนเกิเหมือนกับไม่หายความจริงมันหายไปแล้วเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดปุ๊บมันก็หายไปแล้ว ถ้าใจเราอยู่ในปัจจุบันเราจะเห็นทุกอย่างไหลไปเหมือนกระแสน้ําเหมือนเรานั่งอยู่ที่ท่าน้ําแล้วเราจะเห็นสิ่งที่ไหลมากับกระแสน้าเรือเอ่ยขยะเอ่ยหรืออะไรเอ่ยเนี่ยมันไหลมาแล้วมันก็ไปถ้าเรานั่งอยู่ที่มันก็จะเห็นทุกอย่างมันไหลไปถ้าเราทําใจให้สงบเป็นมีสติตั้งอยู่ในปัจจุบันนี่เราจะเห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเนี่มันจะไหลไปตามเรื่องของมันเราไปหยุดยั้งมันไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ แต่เราชอบไปหยุดไปเปลี่ยนมันเราก็เลยเครียดแต่เราเปลี่ยนไม่ได้อ่าต่อมาคําถามจากคุณสุปสัญญาสวดมนต์ที่วัดกับญาติโยมที่วัดแล้วรู้สึกสงบโล่งสบายแต่สวดเองที่บ้านพุ่งสั้นมากจะมีอุบายอย่างไรจะสวดแล้วรู้สึกสงบเหมือนอยู่ที่วัดก็เพราะว่าเราไม่มีสติเวลาอยู่คนเดียวเราก็ ปล่อยให้ใจเราคิดวุ่นวายไปสวดเลยไม่สมงบแต่เราอยู่ที่วัดคนอื่นก็สวดเราก็ต้องสวดไปกับเขาก็มีวิธีหนึ่งอัดเสียงสวดมนต์ที่วัดมาสวดที่บ้านก็ได้แล้วก็เปิดฟังเสียงที่สวดแล้วก็สวดตามเข้าไปเพราะเรายังไม่มีสติที่จะบังคับให้เราสวดไปอย่างต่อเนื่องได้ก็ลองอัดเสียงสวดมนต์มาดูแล้วก็ลองมาเปิดเปิดฟังที่บ้านแล้วก็สวดตามไป คำถามจากคุณชุติการเราบริกรรมพุดโทรไปเรื่อยๆบางทีแล้วมันชอบคิดอย่างอื่นหนูเลยเล่นคําบริกรรมจนบางครั้งอยากให้มันหยุดคิดจนปวดหัวเลยแบบนี้ผิดหรือเปล่าคะผิดตรงที่ไปอยากให้มันหยุดถ้าอยากจะให้มันหยุดนี่ต้องอยู่กับพูดโธไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจกับความคิดแข่งกับมันไปมันจะคิดก็ไปมันคิดไปเราก็พูดโทของเราไป ถ้าเราอยู่เกาเตกับพูดโธรไปเรื่อยๆแล้วความคิดต่างๆมันก็จะค่อยๆจางหายไปอแต่อยากก่าไปอยากให้มันหายอยากแล้วมันเคเรียดก็มันไม่หายคําถามจากคุณพัฒนาพรเราถูกกัดแกล้งใส่ร้ายเพื่อเอาตัวรอดเราก็ยอมรับสภาพความเป็นไปและให้อโหสิกรรมแก่ให้อโหสิกรรมให้แต่สงสัยว่าคนทําผิดจะได้รับรบาปกรรมหรือไม่เจคะ อย่างน้อยที่สุดก็คือเขาจะไม่ได้รับผลจากเราคือเมื่อเราให้อภัยเขาเราก็จะไม่ไปตอบโต้ไม่ไปทำร้ายเขาแต่ถ้าเขาไปทำกับคนอื่นที่เขาไม่ให้อภัยก็เดี๋ยวเขาก็จะต้องโดนของดี mm hmm. เพราะว่าเขาจะได้ใจในเมื่อเขาทำกับเราได้เขาอาจจะไปทำกับคนอื่นแต่คนอื่นอาจจะไม่เหมือนเราคนอื่นเขาอาจจะเป็นแบบพว่วงขิงกะลาขเขิงกะลาขาก็แรง เดี๋ยวก็ต้องไปลุยกันไปชนกันแล้วก็ไปตีกันไปฆ่ากันในที่สุดค่ะคำถามจากคุณนิง้งภาวนาพุโทโธแต่จะภาวนาพองหนอได้ไหมคะภาวนาพุโทโธเราจะพองหนอได้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เดี๋ยวก่อนทางนี้มีอะไรไหมจะฟังต่อไหมเราอยากจะกลับฟังต่อเนี่ยก็ฟังไปก่อนนะ งั้นถามต่อเดี๋ยวก็คงหมดละหมดแล้วเดี๋ยวก็จะป่อยให้กลับบ้านได้ไม่มีแล้วเลยอย่าไปพูดครับทางนี้มีอะไรอยากจะถามไหมไม่มีเลยวันนี้ไม่ต้องทํางานเนี่ยแร้วแล้ว เข้าภาษน้องนานเนะี่ยสออาทิตย์สองอาทิตย์เลยสามอาทิตย์เนาะสิบเก้าไม่ใช่ครับสิบเก้านี้ก็เกือบสามอาทิตย์เนะยก็จะไม่ได้ถวายเลยวัจ <c oughs> ะทำงานงานเลยช่วงนี้งานไม่ค่อยจะมีเออก็ไม่หยุดวันเข้าภาษาให้เราเลยก็ไม่แม้เหมือนกันครัก็ดีรีบทำมุนไปก่อนได้ยิ่งดี สอ่าเวลาใดอยากจะทำบุญรีบทําไปเลยอย่าไปผัดวันประ ก, รกันพรุ่งเพราะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีก็ได้เห็นถ้าคิดอยากจะทําบุญเมื่อไหร่ทําไปเลยไม่ต้องรอให้มันตรงกับวันที่เราต้องการจะทำวันเกิดพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าถ้าอยากจะทําวันนี้ก็ทําไปเลยแล้วพอถึงวันเกิดมีเวลาก็ทํำอีกวันก็ทําครั้งก็ได้การทําบุญนี้เป็นเหมือนการตักน้ํา น้ำน้ำขึ้นให้รีบตัดพรเดี๋ยวน้ำรถมันจะไม่มีน้ำให้รอตักเมื่อเรามีโอกาสทำบุญเมื่อไหร่ขอให้ทำไปเลยคิดปั๊บทำได้ทำไปเลยเช่นเดียวกับการทำบาปพอคิดปั๊บก็หยุดเลยอย่าไปทำเลยการทำบาปไม่ดีเป็นเหมือนเอาไฟมาสูมหัวเราการทำบุญก็เหมือนเอาน้ำเย็นมาชะโลมใจ ทำแล้วให้เรามีความอิ่มใจสุขใจสบายใจแล้วก็เป็นทรัพย์ที่เราติดตัวไปได้เป็นทรัพย์ภายในถ้ามีทรัพย์ไปก็จะไปเป็นเทพเป็นอะไรถ้าไม่มีทรัพย์ก็จะไปเป็นเปรตไปเป็นขอทานก็ให้หมันทำบุญไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวถ้าต้องการหนังสือซีดีก็หยิบเอานะอะแจกเมื่อกี้ให้พรแล้วก็ ก็จะไม่ให้พรนี่บางอย่าง เ, เดี๋ยวมามาชุดหนึ่งก็ให้พรครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาชุดก็ให้พรนี่ความจริงพรมันอยู่ในตัวเราแล้วเกิดจากการกระทาของเราบุญนี่แหละคือพรที่แท้จริงพอเราทำบุญเราก็มีความสุขใจอิ่มใจอันนี้แหะเป็นพรพรที่พาส่วนนี้ก็เป็นการสอนการบอกท่า น, นว่าทำบุญแล้วจะมีความสุขใจจะมีความเจริญด้วยอายุวันณนะัสุขะภละทะนั้นเอง ไม่ได้เป็นพระเป็นคนมาเสกมาเป่าให้เราจเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละตัวเองยังเสกให้ตัวเองจเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละไม่ได้นะเราจะไปเสกให้คนอื่นก็เป็นได้ยังไงใช่ไหมมันอยู่ที่การกระทำของแต่ละบุคคลทําดีได้ดีทดําดีได้บุญทาบาปได้ได้บาปขอให้ทําดีเพราะชีวิตของเราไม่จบตรงที่ร่างกายนี้ตาย ชีวิตของเราไปต่อจะไปดีไปสูงไปต่ำอยู่ที่บุญที่บาปเราทำไว้ทำบุญก็จะไปสูงไปสวรรค์ทำบาปก็ไปต่ำไปอบายไปนรกนี่คือจิตใจของเราที่ไม่มีวันตายแต่ยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็เลยต้องอาศัยบุญพาให้เราไปเกิดในที่ดีถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเราก็ต้องมาปฏิบัติธรรม มาทั้งนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วใช้ปัญญาตัดกิเลสให้หมดไปจากใจถ้าไม่มีกิเลสแล้วใจก็จะไม่กลับมาเกิดต่อไปถ้ายังมีกิเลสยังมีความโลภยังรักสวยรักงามยังอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสยั ง, ยงอย่างนี้อยู่ก็ยังต้องกลับมาเกิดอยู่ต้องไม่มีความอยากหลงเหลือจะในใจเลยไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากดูไม่อยากฟังอะไร ถ้าอย่างนี้ตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเกิดไม่ดีหรอกเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาทำงาน <c oughs> ใช้ไมเหนื่อยไหมทำงานทำกายกันนี้สู <c oughs> ปไปเที่ยวไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> แต่ปีหนึ่งจะได้เที่ยวสักกี่วันนะทำงานสักกี่วั น, เ, นเกิดมาทุกข์กันโดยม่นรู้สึกตัวยิ่ยามาเกิดดีกว่า ไม่เกิดแล้วก็จะสบายอยู่เฉยๆมีแต่ความสุขมีความถามมาอย่างมีนะคะเอ้าเขามาต่อจับคุณพัชชัยค่ะทําอย่างไรถึงจะลดมานะของตัวเองได้คะก็หัดอยู่แบบเป็นภาคคิริ้วทําตัวให้เป็นแจ๋วทําตัวให้เป็นปรับตาทีอคิดให้คิดเสมอว่าเราเป็นเหมือนขอทานเราเป็นเหมือนคนรับใช้ ใครจะดาใคจะว่าใครจะดูถูกเหยียดหยามอะไรก็ปล่อยเราะว่าไปเราเป็นคนใช้คนรับใช้เด๋ยเวลาภาพบวชใหมน่นี้ท่านก็ให้มาเป็นเป็นเหมือนกับคนรับใช้เลยภาพบวชใหม่นี้ให้ถือว่าเป็นเป็นเหมือนค น, คนต่ําต้อยที่สุดในในในวัดก็ดูกันที่พรรษาในพระเราเนี่ยมีตําแหน่งสางกันคนที่มีปพรรษามากกว่า ก, าก็จะเป็นอาวุโสสามารถ ว่าคนที่ต่ำกว่าได้สอนคนที่ต่ากว่าได้คนที่ต่ำกว่าก็ต้องกราบคนที่สูงกว่าอันนี้เป็นการเสริมลดมานะการถืออัตตาตัวตนพระพุทธเจ้าสอนให้เราหัดทาตัวให้เราเป็นเหมือนปัตภีเป็นเหมือนแผ่นดินใครจะเหยียบใครจะย่าก็ได้ใครจะเอาจอบเอาเสียมาขุดมาทำอะไรก็ได้ใครจะเทสิ่งสโปรกโสโครกต่างๆลงไปในปัตภีก็ปัตภีมันก็ไม่เดือดร้อน เราต้องทําใจให้เป็นอย่างนั้นใครจะดูถูกดูแคลนใครจะเหยียดย้ําใครจะว่าอะไรก็ปล่อยเขาว่าไปเราถือว่าเราเป็นปาฏิพีนับได้ทุกอย่างคําถามจากคุณโชคในกรณีที่มีผู้ใหญ่ใช้ให้เราไปซื้อเหล้าหรือบุหรี่ให้เรามีส่วนในการทําผิดสี่งด้วยหรือไม่ครับก็มีส่วนที่สนับสนุนเขา แต่เราไม่ได้มีแต่เราไม่ได้ทําผิดศีลเองคําถามจากคุณชายเวลาผมสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแล้วผมแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้เช่นผู้ที่ร่วงลักไปแล้วผมจะรู้สึกขนลุกทุกครั้งและรู้สึกมีสมาธิอาการขนลุกนี้คือเป็นอาการที่ทําให้เรารู้ว่าเขาได้รับบุญที่เราอุทิศไปใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกมันเป็นอาการที่มัน มันไปถูกกับใจดำของเราเหมือนกับไปจี้ใจดำของเราเวลาเราทำอะไรแล้วมันถึงใจมันจะรู้สึกอย่างนั้นประทับใจถึงใจซึ้งใจมันก็จะเกิดความรู้สึกขนสู้บ้างน้ำตาไหลบ้างน้ำตาแบบนี้ไม่ใช่น้าตาที่เกิดจากความทุกข์แต่น้ำตาที่เกิดจากความซึ้งใจซราบซึ้งใจ คำถามจากคุณเมที่มีเวลานั่งสมาธิแล้วตัวโยกคอนทำอย่างไรจึงจะผ่านตรงนี้ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีสติพอถ้าเรามีสติเวลาเรานั่งคุยกันนี่เราจะไม่โยกเลยใช่ไหมแต่ทำไมเวลานั่งสมาธิเราทำมันปล่อยให้สติหายไปทำไมตอาไม่มีสติจิตมันก็จะโยกร่างกายได้เนี่เราต้องฝึกสติให้มากๆให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ วันแล้วเลยทีต่อค่ะคำถามกากคุณทวัตชัยคะ่ะไม่ทราบว่าที่วัดมีบวชเนรหรืม่มีขอโทษครไม่ทราบว่าที่วัดมีบวชเนเมื่อไหร่ครับจะให้ลูกชายไปบวชเพื่อฝุดต้นครับวันนี้ก็มีโครงการบวชเนนภาคฤดูร้อนในช่วงปิดเทปใหญ่โดยในช่วงเดือนมีนาคมประมาณกลางเดือนมีนาแจะบวชประมาณสวันจะมีนักเรียนจากโรงเรียนผู้รู้ยศศศ ที่เป็นโรงเรียนของส่มเด็จพระสังฆราชสร้างขึ้นมาประมาณ45คนเด็กที่จบชั้นม .1 ของโรงเรียนนี้พอโรงเรียนปิดเทอมเขาก็จะจับมาบวชใน15วันผู้ที่อยากจะมามีลูกหลานมาบวชสมทบก็สามารถที่จะมาสมัครติดต่อได้ขอให้มาช่วงต้นเดือนมีนาเพื่อมามาม า, มาสมัครแล้วจะมีการบวชประมาณในช่วงกลางเดือนมีนา คำถามจากคุณกูนค่ะการพิจารณาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาควรพิจารณาอย่างไรคะก็ให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้สักวันมันจะต้องจากเราไปเรียกว่าอนิจจังอนัตตาก็คือมันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงถ้าอันไหนมันเป็นของเรามันก็ต้องอยู่กับเราถ้ามันไม่อยู่กับเราก็แสดงว่ามันไม่ได้เป็นของเราเช่นร่างกายของเรานี้มันก็มันไม่ได้เป็นของเรา พอสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปร่างกายของเราต่อไปก็ต้องมอบให้กับสัปเหร่เป็นของสัปเหร่ไปแล้วสัปเหร่ก็เอาไปเผากลายเป็นดินน้าลมไฟไปอันนี้จำก็คือมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่นี่มันก็เริ่มเปลี่ยนละออกมาจากท้องแม่ก็เริ่มจเจริญเติบโตพอโตเต็มที่แล้วก็เริ่มแก่ แก่ลงไปแล้วในที่สุดก็ตายไปเรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้เมื่อกี้เมื่อนาทีที่แล้วกับนาทีนี้มันเปลี่ยนไปแล้วรูปแบบ้ปล่าแก่ลงไปหนึ่งนาทีแล้ว <c oughs> แต่เรา <c oughs> เรามองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงมันช้าเราไปดูรูปถ่ายเมื่อสิบปีที่แล้วเลยแล้วดูวันนี้กับสิบปีที่แล้วเหมือนกันนะถ้าจะเป็นคนละคนเลยใช่ไหม นั่นแหละเรียกว่าอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงอนัตตามันไม่ได้เป็นของเราสักวันหนึ่งมันจะต้องจากเราไปถ้าเรายึดติดก็จะเป็นทุกข์ขังที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่อยากให้มันจากเราไปใช่ไหมที่เราทุกข์เพราะเราไม่อยากให้มันเปลี่ยนใช่ไหมถ้าสาวก็อยากจะให้มันสาวไปเรื่อยๆใช่ไหมไม่อยากให้มันแก่ใช่ไหมพอมันแก่ก็ทุกข์ใช่ไหมทุกข์เพราะเราไปอยากไม่ให้มันแก่ทุกข์เพราะเราไปอยากให้ไม่ให้มันเจ็บ ทุกพอเราไปอยากไม่ให้มันตายเนี่ยถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายเพราะร่างกายมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ของเรามันจะต้องกลับคืนสู่เจ้าของเดิมเจ้าของเดิมของร่างกายคือใครรู้ไหมก็ดินน้ำลมไปเวลาเผาแล้วเหลืออะไรเหลือแต่ดินใช่ไหมขี้เท่านนี้ก็เป็นดินกระดูกก็เป็นดิน น้ำก็ถูกไฟเผาระเหยไปหมดแล้วกลายเป็นไอ้น้ำไปไปเป็นเมฆเป็นอะไรไปแล้วลมก็กลับไปอยู่กับลมเนี่นะลมที่พัดอยู่เนี่ยน้ำก็ไปลมก็ไปไฟก็ไปร่างกายของเราก็เป็นแค่นี้เป็นแค่ดินน้ำลมไปท่านถึงเรียกว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราเป็นตัวรู้ตัวคิดตัวนี้ไม่ได้ตายตัวนี้แหละเป็นของเรา ตัวนี้ที่พาเราไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่ว่ามาคําถามจากคุณสิริวัณจิตถ้านึกถึงใครแล้วอีกคนจะได้รับกระแสะจิตจากเราไหมคะก็ลองดูสิลองส่งกระแสะจิตไปหาคนนู้นดูแล้วถามว่าได้รับหรือเปล่าถ้าบางคนได้รับก็แสดงว่ากระแสะจิตเราแรงน อ้าไม่แน่คนจะไปรู้หรือบางคนเขาส่งกระแสะจิตกันได้ก็ลองนัดเลยว่าเวลาบ่ายสองโมงคุณลองเล่าลองเล่ากระแสะจิตเราดูนะเราจะส่งไปเราจะส่งคําถามไปแล้วคุณจะรู้คําถามที่เราส่งไปหรือเปล่าคำถามจากคุณเลิร์อยากทราบว่าบุญจากการนั่งสมาธิกับบุญจากการสวดมนต์ส่วนบุญส่วนไหนได้มากกว่ากันครับ อันเดียวกันส่วนมันก็เพื่อให้ได้สมาธิให้จิตสงบคำถามจากคุณรัชนกนะคะถ้าไม่อยากเกิดอีกควรปฏิบัติตนอย่างไรคะหากไม่มีโอกาสได้บวชกว็ตัดกิเลสให้หมดไปตัดความโลภ ค, ความโกรธความหลงอย่าไปดูหนังฟังเพลงอย่าไปร่วมหลับนอนกับใครอย่าไปเที่ยวตามสถานบันเทิ ง, ทงต่างๆตัดความอยากไปให้หมด แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดบีกหมดยังหมดจะได้สรุปปิดที่ประชุมคำถามจากคุณอภิวัตรค่ะพอใจเราคิดแล้วเรากำหนดรู้ความคิดเราความคิดนั้นก็จะหายไปความคิดใหม่ก็จะขุดขึ้นมาอีกมันเป็นธรรมชาติของมันหรอครับถ้าเราไม่หยุดมันมันก็มันก็จะขุดขึ้นมาเรื่อยๆเราหยุดได้เป็นถ้าเราต้องการหยุดล้วก็ใช้สติหยุดมันได้